อ่าเมื่อกี้ได้ได้ได้คุยตังจอมหน่่ยน้อยพูดมีประโยชน์เนาะครับว่าเหมือนเดิมกับไม่เหมือนเดิมค่ะก็ถิดว่าถ้าเป็นผู้พิชชนอ่าคำว่าเหมือนเดิมก็คือของเก่าเนี่ยก็คือมีมีตัวผู้กระทแล้วก็มีผู้ที่ถูกกระทํานค่ะเพราะว่ายังยังครัวพันยังยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น โดยที่ไม่รู้สึกตัวเนะี่ยเพราะขาดสติหลงลืมส ต, ติเพราะว่าเขายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสังขารยังไม่เห็นความเสื่อยสลัดของสังขารยังไม่เห็นความบังคับบัญชาบ้าของสังขารก็เล่าตัวตามกับสิ่งเหล่านั้นสืบต่อไปเป็นแบบลูกโซ่แต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติอน้อมน้อมเข้ามาใส่ตัวก็เรียกว่า รู้เราแล้วก็เรารู้เนี่ยรู้เราจริงๆมันไม่มีเพียงแค่ที่หัวข้อว่าเพียงแค่ขาดเดียวนะเขาบอกว่าของจริงมันเพียงแค่ฉับพลณนรัดสั้นเนาะเพียงแค่ขาดเดียวขณะที่มีภัสสะมากระทบนะกระทบเรารู้ว่าการที่กระทบเนาะเรารู้สึกตัวไม่ว่ารู้สึกตัวว่ามีตัวตนเข้าไปกระทบนะหรือว่ารู้สึกตัวไม่มีตัวตนเข้าไปกระทบ ถ้าของเก่าก็มันจะรู้สึกตัวว่ามีตัวตนเข้าไปกระทบมีตัวตนเข้าไปกระทําแล้วก็ถูกกระทําำถ้าเป็นของใหม่ก็ขณะที่รู้สึกตัวก็ไม่มีตัวตนเข้าไปกระทบไม่มีตัว ต, วตนเข้าไปกระทํามันจะไปก็เรื่องของมันแต่ไม่ใช่เรื่องของเรา <S <S <S เป็นเรื่องของขันห้า 5, ล้วนๆ น, ะนะเป็นของอาการของข 5, ันห้าเปลียงแค่เหลือกิริย า, อาของจิตป่าหันยังดงเรืองอยู่สิ่งนั้นก็ยามดองสิ่งที่ปรากฏก็ยามดองลงอยู่คือ กิริยาของจิตก็คือขันท่ายังไม่ดับแต่ก็ดั่งยงชดใช้กรรมอยู่เพียงแค่กิริยากับผลของกรรมท่านยังนำลงอยู่แต่ท่านก็แยกออกจากจิตแล้วจิตก็เป็นของจิตและท่านรู้และจิตสุดท้ายการอนุโมทนาสาธุค่ะท่านพ่อยค่ะก็ย้อนไปเมื่อกี้ถึง อ, อที่คุณอนนท์บอกนะคะนึกขึ้นมาถึงอยู่ในจำไม่ได้ว่าเป็นคําสอนใครหรือว่าคําพูดของใครสักคนหนึ่งนะคะเกี่ยวกับ คำสอนเซนที่มีคนมาพูดกันบ่อยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงนะคะที่บอกว่าเมื่อก่อนเรามองภูเขานะคะก็ไม่ได้เป็นภูเขาหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วก็พอตอนหลังก็มองภูเขาก็เป็นภูเขาอะไรประมาณนี้นะคะ่ะนึกจำไม่ได้นะคะก็คงคล้ายๆกันนะคะอย่างที่เมื่อกี้หนูนี้บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เราเป็นยังไงก็ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะนะคะ มันก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมงแต่ว่ามีแค่เราแค่นั้นเองค่ะที่ไม่รู้ว่ามีเราจริงหรือเปล่าคุณนะคะเราสวัสดีคุณโอ๊ตนะคะเข้ามาใหม่ก็เรียเชิญนะคะพอดีเมื่อกี้คุยกันสนทนานะคะเรื่องหัวข้อเรื่องรู้สิ่งที่กําลังปรากฏในปัจจุบันค่ะแล้วก็สวัสดีคุณน้อยหนาด้วยนะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถที่จะไปฟังรีเพลย์ได้นะคะ อ่าก็เสอนนิดนึงอันนี้อ่าตอนที่ที่ที่บอกว่าท่านเวอรหลังเนาะท่าท่านบรรลุธรรมโดยที่ท่านไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือก็ไม่เป็นเนี่ยแต่ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านท่านอ่านจากที่จิตล้วนเลยเนี่ยเข้าไปรู้จิตนะตัวผู้รู้นะเห็นผู้รู้ชัดเจนเนี่ยแต่ทนี้อย่างที่หนุ่ยนุ่ว่าแต่ก่อนเราก็มองว่าเป็นภูเขา มันเป็นบูเขาโดยสมมุติจากความจริงจากความจำจากครูบาอาจารย์และเพื่อนๆได้การศึกษามารู้ ว, ว่านั่นเป็นบูเขาแต่บูเขาเทอมทีมันก็เป็นข้ามันอย่างนั้นแหละมันอาจจะไม่ชื่อบูเขาก็ได้ ก, ก็เป็นสภาวะหนึ่งที่ปรากฏที่ยังตั้งอยู่ทั้งทึบอยู่ตรงนั้นแหละแต่เป็นลนักษณะแต่เพียงแค่เอาสมมุติมาใช่แต่ถ้าเอาสมมุติที่บอกว่าให้แรกแรกเป็นบูเขาสุดท้ายก็เป็นบุคคลนะ มันก็เป็นบุเขาและจะให้เป็นบุเขาเป็นอย่างอื่นบุเขาเป็นของบูคคลแต่ไม่แปลว่าบุคคนั่นเป็นของเราเนี่ยหรือเป็นบุเขาเป็นของเขานหนอนุโมทนาอ่จาจ้าถูกค่ะค่ะก็ดีมากเลยครับเราก็ต้องรู้อ๋อในความรู้นะครับส่วนมากเราจะใช้ความคิดใช้ความจำอขออนุญาตยกตัวอย่างที่ภูเขาเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่คุณอยู่ในกลังพูดหรือว่าอาจารย์พอยกำ<ช>ลังพูดนะครับ เออจริงๆแล้วก็อาจจะสัมผัสรู้แบบที่เขาเรียกกันว่ารู้ซื่ๆก็ได้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะคําว่าภูเข า, าหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ mountain หรือจะเป็นคําว่าอะไรก็ตามมันเป็นการสมมุติเรียกสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมันอาจจะเป็นแค่การดินก่อตัวขึ้นมาใหญ่ๆหรือหินก่อตัวขึ้นมาใหญ่ๆอะไรก็ตามนะครับมันคูอแบบมันเป็นศัพท์สมมุติซึ่งมันตั้งอยู่แล้วให้เราเรียกอย่างนั้นนะครับสุดท้ายอ๋อ ถ้าเราไปบอกว่าอันนี้คือภูเขาแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะเป็นเพิ่มความคิดจินตนาการของเราเข้าไปนะครับแล้วแม้แต่เราจะรู้สับสมมุติแล้วเหมือนที่คนหนึม่มๆบอกนะครับว่าแล้วทำไมต่อไปเราทำไมจนงเรียกว่าภูเขาล่ะไม่ใช่นั้นเราจะไม่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ครับสมมุติผมรู้อ่ะเออเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตะกอนดินใหญ่ๆขึ้นมาเป็นหานั้นทางนี้แต่มีอ่เพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันภูเขา สมมติผมบมันไม่ใช่ภูเขาสุดท้ายแล้วเราจะทะเลาะกับโลกสมมุติอทะเลาะกับตัวเองเพราะตัวเองก็สมสมติขึ้นมาเหมือนกันสุดท้ายแล้วเราจะหาความจริงไม่เจอครับฉะนั้นเมื่อเรารู้อะไรที่มันเป็นความจริงแล้วนะครับที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นดูต่อไปเราอย่าไปสมมุติคําขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไปสมมุติความจริงขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่นะนะเราจะหลงของหลงอีกทีหนึ่งนะเราจะออกมาไม่ได้จากโลกของสมมติและโลกของความจริงเลยครับประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับจัดโทค่ะคุณนันท์ค่ะครับก็เมื่อกี้ตอนที่เราสัมภาษณ์มาเพื่อนๆกเข่าครับคงถามหนูว่จาจะเข่าจริงไหมครับยังไงนะคุณนันท์เสียงไม่ชัดค่ะขออีกครั้งค่ะ เขามีจริงม่ตัดต่ออันนี้ก็ถามนะครับถามจริงครับภูเขามีจริงครับมีจริงหรือไม่มีจริงทุกคนรู้หมดเลยค่ะแล้วคุณอนนนท์วามีจริงไหมคะัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะคุณอนนท์ได้ยินไหมคะคุณอนนท์หายใจเข้ามาใหม่นะคะค่ะคุณอนนท์ัลโหับเป็นยินไงบ้างได้ยินแล้วค่ะค่ะค่ะขอบคุณแต่ขอหยุครับ่กภูเขามีจริงไหมครับหนุนี้ครับ ผู้เขามีในในนามค่ะผู้เขาเหนือเนี่ยอาจจะเรียกว่าภูเราก็ได้ค่ะหรือจะเรียกว่าตีนเสากดก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าไม่จผมไม่ด้อัดผมจำจื่อท่านไม่ได้ท่านอื่นออกเลูว่าผมผาจะผูเขากิจิงฮะครับท่านอื่นใคจะต่อจังครับก็คือตอนนี้ผมก็คือว่าผมจะพาท่านไปสู่ภาวะธรรมก็คือว่าตีนเขาไม่จรินะครับแต่ สึ่งคาว่าภูเขาภูเขาีริงไหมครับถามภูเขามีจริงไครับูเขาสองคเนี้เป็นคา ท, ท, ที่มีจริงก็มันคิดมีักสิน่นคิดมีจริงแต่ภูเขาก็มีครับซึ่งตรงนี้ที่ทดสอของว่าสาภาพปัจจุบันแล้วก็อายุปัจจุบันปัจจุบันคือขนาดเรอครับก็เหอนถามเตัวว่าเตียเช่นไหมทุกคนบอกว่าถ้าคนไม่เข้าใจบอกเตัวไม่เป็าจแต่้คนบอกเตียเช่นก็คือสันที่ททเรื่าครับ กเตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยว่าใครจะถามอะไรปัญญาเขาจะแยกเยอะพอของภูเขาภูเขาไม่มีครับก็มีที่จริงก็คือคำของพระราบภูเขาที่ขืนคำว่าภูเขามีจริงจริงจริงจิงครับที่คุณภาพสัจจุบัครับขอบพระครับอ๋อค่ะอย่างนั้นหนูนี้เอาลองอย่างนี้ละกันค่ะเออก่อนที่คุณอนนทจะถามนะคะว่าภูเขามีจริงไหมอะค่ะอันนั้นก็ไม่จริงแล้วค่ะ ะ, คะแค่เราเราแค่กำลังคิดจะถามก็ไม่จริงแล้วว่าค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันพูดแล้วพูดออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเขามีจริงไม้อะไรนั่นนะคะมันก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องมาใช้ในการที่เราสนทนาเพื่อให้เราสื่อสารนะคะให้เรารูเรื่องกันแต่ว่าถ้าเราเอารู้แจ้งต่อต่อสิ่งที่ในความที่มันเป็นของมันเนี้ยค่ะมันก็เป็นธรรมดาของมันค่ะที่เราจะต้องเอามาใช้นะคะอย่างที่เมื่อกี้หนูบอกว่า เราเป็นยังไงเราก็กลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะเราไม่ต้องไปไปกําหนดว่าอันนี้จริงอันนั้นไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเราไปไปอคิดว่าโอ๊ยอันนี้ไม่จริงเราใช้ชีวิตไปไประชำวันแล้วว่าอันนี้ไม่จริงมันก็จะรู้สึกมันไม่ไ ม, ไม่ธรรมชาติค่ะแล้วมันก็ไม่อิสระเลยแท้จริงะคะ่ะลองค่อยค่อยค่ะค่อยค่อ ย, อยปรับนะคะเพราะว่าบางทีบางทีเราอาจจะเอะฝึกเนี่ยเข้าใจว่าผู้ฝึกบางคนมีความเพียรมากนะคะ นีพอเพี้ยนมากก็แนวแน่มากมีความตั้งมั่นมากเนะะี่ยค่ะทําให้เราอึดอัดได้นะคะก็เราเรามองให้มันธรรมดาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะค ะ, นะคะอย่าไม่ต้องแบบทุกสิ่งจนแบบว่าอะไรกนเยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงีเง้งยะคะ่ะก็ให้เป็นธรรมชาติะคะ่ะก็เหมือนกับเราเออเราไปทานอัปเปิลนะคะผลนึ่งแล้วมันมีหนอนอยู่ข้างในนะคะนะคะมันมีหนอนอยู่ข้างในก็ในความที่มันเป็นหนอนเนี่ยบางคนบอกว่าอุ๊ยเรากัด ถูกหนอนไปนะคะสรุปว่าห น, นอนมีจริงไหมอย่างเงี้ยมีคนถามอย่างเงี้ยนะคะหนอนมีจริงไหมก็เราบอกเขาหรืออะไรไม่กระทั่งแอปเปิลเนี่ยค่ะมันก็คือธรรมชาติหมดนะคะแต่พอเราเข้าใจรับรู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้อะไรกับมันนะคะแล้วก็เห็นมันไปแล้วเราก็รับรู้มันไปแค่นั้นเองนะคะก็เหมือนกับเหนูนิ้วเปรียบเทียบกิ่งไม้ที่มีนกมาเกาะ แล้วมันก็บินไปแค่นั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะให้มันบินมาหรือแม้มันจะบินไปเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่นั้นเองนะคะค่ะก็สาธุด้วยนะคะคือนนท์ค่ะก็ขออนุมโมทนาข้อเสริมนิดนึงเนาะเมื่อกี้โยมเพลินถามเนี่ยเพราะนั้นเคยมีคนมาถามท่านร้อยว่าถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากาลังว่างอยู่ขณาที่เราไม่ได้พูดออกจากปากของเราเ แล้วไม่ออกเสียงด้วยเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรก็เลยตอบว่าเงาของความว่างเนี่ยมันคือความเงียบสนิทของมันอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยกับสิ่งที่กําลังปรากฏนะทางที่ภายในก็คือตัวเราและภายนอกคือตัวเขาคือต้องไม่มีเราเงียบจากเราคือภายในเงียบจากเขาคือภายนอกน้องขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้แต่เมื่อใดเธอหลงเป่งเสียงออกมาหรือ เขียนตัว อ, อักษรก็ตามนะสิ่งเหล่านั้นมันก็ล้วนเป็นสังขารทั้งหมดถ้าว่าอุปมาอุปไมยหมายเหตุก็หมายคําว่าเหมือนก้อนหินเนะ น, นี่ย ก, ก, ก, ก้อนหินก้อนก้อนหินก้อนนึงเนี่ยถ้าก้อนหินก้อนนั้นนั้นเนี่ยในตัวของมันเองมันจะออกมาได้เมื่อไหร่ก้อนหินนะมันก็จะติดจากธรรมชาติโดยทันทีก็ความธรรมาเนี้นะโยมเพลินอืม ก็เป็นเมื่อกี้จะพูดอยู่เหมือนกันแต่ก็สอดคล้องกันก็คืออย่างนี้เดิมเมื่อกี้จะพูดอย่างนี้เนาะให้เราเนึกถึงธรรมของที่พระพุทธเจ้าได้ได้สอนเราได้บอกเร า, าท่านพูดถึงเออท่านพูดถึงธรรมชาติที่ปรากฏกับธรรมชาติที่ไม่ปรากฏแต่วันเนี้ยที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ง่ายที่สุดคือธรรมชาติที่ที่ปรากฏนะอย่างคาถาม ของของโยมโยมอนุ น, นที่ถามเรื่องภูเขาว่า ม, มันมีจริงหรือเปล่าหรือมันไม่มีจริงลองสังเกตนะคำถามเนี่ยเอาละสิ่งที่ไม่ปรากฏทางหูทางตาคือเรียกว่าสิ่งที่อยู่ภายในนะคนอื่นรู้ไม่ได้แต่สิ่งที่รับรู้กันโดยทั่วถึงก็คือเสียงที่ปรากฏขึ้นเป็นเรื่องราวในรูปลักษณะของคำถามว่าอา้าวภูเขามันมีจริงหรือไม่จริงได้ยินกันทุกคนเราก็ลองสังเกตว่า อะไรที่เกิดการได้ยินก็คือเสียงแล้วอะไรที่ได้ยินก็คือสภาพธรรมะใช่มสภาพธรรมะใดที่มีการปรากฏขึ้นสภาพธรรมะนั้นต้องดับไปนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะหมายความว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกทีนี้ถ้าสมมติหลวงพ่อจะเอาคำคาถามนะบอกว่ามันถูกหรือผิดสมมุติบอกว่ามันถูกไอ้คาว่าถูกอ่ะแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินก็คือเสียงเหมือนกัน นะคือเป็นเสียงแต่ไปต่อต่อต่อต่ อ, ตอหลายๆขณะก็เป็นสัญญาจำได้ว่าเป็นเสียงแล้วก็มีความหมายว่าอย่างนั้นแปลว่าถูกแล้วก็ถ้าตอบว่าผิดมันก็คือลักษณะเดียวกันก็คือเสียงแล้วก็มาประกอบกันเป็นเรื่องราวเป็นความหมายขึ้นมาแต่แท้จริงอ่ะทั้งถูกทั้งผิดอ่ะมันล้วนแต่ปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะแต่สิ่งที่ไม่ปรุงแต่งนั้นก็มีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดนั้นก็มีอยู่ สิ่งนั้นก็คืออะไรสิ่งที่มันเป็นความว่างเป็นสิ่งที่รองรับสิ่งที่เกิดกับสิ่งที่ดับจริงๆธรรมะมันก็มีเท่านี้เนาะเพราะนั้นให้พึงสำเนียกว่าทุกครั้งที่เรากําลังสนทนากําลังพูดเนี่ยนี่คือสิ่งที่กำลังปรากฏรับรู้ทางหูบ้างทางตาบ้างอะไรกันแล้วแต่ซึ่งมันก็ดับไปเมื่อรู้แล้วก็คือรู้ปัจจุบันก็คือแค่นั้นพอไม่มีการยืนยันว่าถูกว่าผิดเอาละแต่ทีนี้ถ้าจะยืนยันว่าถูกว่าผิดนั่นหมายความว่าตอนเนี้ย เราลดลดระดับเพดาน ล, ลงมาเป็นชั้นสมมติสมมติสัจจะใช่ไหมเป็นชั้นสมมติสัจจะหรือเป็นโลกียะธรรมแต่ถ้า ร, ระดับที่มันเป็นสมมุติมันกันคือโลกียะเออโลกุตตะละอันนั้นนะคือเหนือความถูกและก็เหนือความผิดเนาะทีนี้เราผู้ปฏิบัติเนี่ยก็คือมีปัญญารอบรู้รอบรู้ทั้งสมมุติรอบรู้ทั้งบารมิตแต่ไม่ว่าจะรู้เรื่องอะไรทุกอย่าง เป็นธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดที่แบบย่อสั้นที่สุดก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็แปลว่าไม่มีผู้ยึดอะไรเลยธรรมมีธรรมะมีแต่ไม่มีผู้ไม่มีผู้ไปยึดไม่มีใครจึงเหลือแต่สภาพธรรมะที่ปรากฏและที่ไม่ปรากฏอย่างนี้ก็คือว่างแท้ว่างจริงแล้วก็จบ สาธุอนัมนมรณาครับกล่าวขอบพร ะ, ระคุณพระอาจารย์ทุกท่านครับพี่หน่อยน้อยครับพี่หน่ย้ยได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะขออนุญาตทักทายพี่หนุอยน้อยเพื่อยกตัวอย่างอวิธีการสนทนาเพราะว่าเมื่อกี้พระอาจารย์แต่ละท่านบอกเรื่องของวิมุตต์แล้วก็ภาษาสมมุติไปแล้วนะครั บ, รบผมชอบนะครับคําว่าที่ว่าถ้าเราบอกว่าอะไรเป็นจริงก็ตามนะครับมันจะกลายเป็นผิดทันทีอ ผมกำลังกระซาทิตคำว่าภูเขาเหมือนเดิมครับอ่ะพี่หนุยหน่ยมมนุยน่ยคิดว่าผมไปถามคําถามเดิมพี่หนุยนุ่ยคิดว่าภูเขามีจริงไหมครับมีคําตอบอยู่แล้วนะคะอ่าฉันเพราะว่าพี่หนุยหนุ่ยกำลังกังวลว่าเ <c oughs> ฮ้ยคุณโอ๊ตกำลังสื่อสาระอะไรเนี่ยภูเขาของคุณโอ๊ตคืออะไรนะครับ <c oughs> อ่าใช่ไหมฮะเพราะผมกำลังจะบอกว่าวิธีที่ครับที่มันจะให้อยู่กัโลกสมมุติถอยออกมานิดนึง คำว่าภูเขามีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยเขาแค่ภาษาก็พอถ้าเป็นคนอังกฤษหรือเป็นคนชาติอื่นมาฟังเขาจะฟังเป็นบุคมบ้างอะไรบ้างเขาจะไม่รู้จักคําว่าภูเขาเราต้องออกเสียงว่าภูเขาอย่างเนี้ยซึ่งาอาจจะไม่มีจริงสําหรับเขาแม้แต่ด้านภาษาหรือความหมายนะครับทีนี้สมมติมเราเป็นคนไทยเรากำลังจะสื่อสารคำว่าภูเขาผมก็จะต้องถามพี่หนุ่ยนุ้ยว่าพี่หน่่ยนุ้ยครับภูเขาของพี่หน่่นยนุ้ยนี่คืออะไรนะครับ เป็นดินสอบกบหรืออะไรที่อยู่ตรงหน้าตอนเนี้ยภูเขาของผมอ่าภูเขาทองค่ะเส้นอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงตรงตรงตรงเทปตกปริมาณอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็จะสื่อสารกับพี่หนูน้อยว่าอะพี่หนุนุ้ยเคยเห็นภูเขาตรงนี้ไหมครับอะเช่นพี่หนุนยเคยเห็นภูเขาทองไหมครับค่ะเคยไปไหมครับภูเขาทองครับอ๋อไม่เคยไปค่ะเห็นไหมครับเราก็จะได้การสื่อสารสมมติเป็นหยาดว่า ตกลงว่าภูเขาทองตรงนี้เคยไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ชัดหรอกครับเพราะเพราะผมยังจินตนาการเฉยว่าภูเขาทองอยู่ตรงตรงสถานที่หนึ่งซึ่งมีคนเดินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นภูเขาทองที่พี่หนุ่ยหนยบอกว่าไม่เคยไปก็ได้นะครับผมก็อยากจะยกตัวอย่างครับว่าเราคนสื่อสารกันให้ตรงกันในสมมุติบัญญัตเพื่อใช้ในการสื่อสารหรือเพื่อใช้ในการปฏิบัติจะเป็นภาษาศัพท์มิ ม, มุติหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อขันห้าหรือเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติแต่ความเป็นจริงประมาณนี้ครับขอบพระคุณค่ะพี่หนุ่มด้ยครับอ่าขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสติค่ะครับเรามาสักการณ์พระอาจารย์ครับสวัสดีสกการณ์หลวงพ่อครับลงถึงท่านทัพร้อยด้วยครับสวัสดีคุณ ห, หนุ่มนุ้ยสวัสดีสปิกเกอร์แล้วก็ อ, ออเดียนครับผมก็ดีกับวันนี้นั่งฟังก็ทำงานไปด้วยฟังไปด้วยครับก็ได้เพลิดเพลินดีครับแต่ก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังว่า จ ะ, จะได้อะไรบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรอว่พรอยพูดขึ้นมาเนีเ่ยก็ได้คือมันมันอธิบายไม่ถูกว่าว่ามันได้อะไรนะครับแต่ว่ารู้ว่ามันคืออันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม้ประโยชน์นะครับมีประโยชน์สำหรับผมนะครับมีประโยชน์มากเลยแล้วก็แต่ผมแค่อธิบายไม่ถูกว่าสิ่งที่ที่เราได้คืออะไรแต่เราแค่รู้ว่าเราต้องไปทําอะไรแค่นั้นนะครับคือผมก็อย่างบทอ่อย่างคํา การคาดหวังอะไรต่างนานาอะไรเงี้ยในการฟังทำครั้งเนี้ยมันก็ไม่มีนะครับแต่มันได้สิ่งได้กลับมาคือการอยู่ปัจจุบันที่พูดพูดกันตลอดเนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมก็ทําอย่างเนี้ยพยายามทําแล้วก็ไม่ได้คาดหวังกับมันว่าทําได้แค่ไหนเช่นเมื่อกี้ผมนั่งเขียนใบฝากเงินอยู่ในใบฝากเงินเนี่ยมันจะ ม, จะมีเขียจะมีการเขียนทั้งตัวเลขกับตัอักษรหลายครั้งก่อนหน้าเนี้ยเวลาเราเขียนนะี่ย เราจะรู้สึกแบบมันจะมีความรู้ส wow. ึกค like ิดถึงเรื่องอื่นเข้ามาตลอดเวลานะแล้ววันนี้ผมลองนั่งคุยกับตัวเองว่าไม่นอาจะมีตัวเราอยู่นะครับก็สุขออภัยนั่งคุยนั่งนั่งพูดกันกับตัวเองว่าเราจะเขียนโดยที่เราไม่นึกถึงอย่างอื่นเลยสมมุติว่าเราฝากเงินสองหมื่นเราก็จะเขียนคําว่าสองหมื่นโดยที่เราเรารู้สึกว่าเรากำลังเขียนคําว่าสองหมื่นอยู่โดยที่ไม่นึกถึงว่าเราต้องทําอะไรต่อหรือว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรมา การทำออื่นเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ผมก็ต้องเดินกับประตูไปหรือเดินขับรถอะไรก็ตามแต่ผมลองดึงกลับมาอยู่กับกับสิ่งที่ทำนะครับจนบางทีเราทําเมื่อก่อนเราเคยทำแล้วเราก็คิดคิดถึงอนาคตเันเกินไปคิดว่าเราทําอันนี้อยู่แต่เราต้องไปทำมันนั้นต่อแต่เราต้องทํานั้นต่อคือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่วางแผนนะครับแต่ว่าบางทีเราวางแผนเยอะไปเยอะไปจนลมไม่มีสมาธิกับสิ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันเราละเลยกับปัจจุบันที่เราทําอยู่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เออเราคนดึงกลับมาอยู่ปัจจุบันบ้าง น, นะครับไม่ว่าจะยังดึงโดยวิธีไหนก็ตามแต่อาจจะยังผิดผิดอยู่อาจจะมีคําว่าตัวเราของเราอยู่อะไรเงนี้นะครับแต่แต่เดี๋ยวผมก็พยายามค่อยๆปรับค่อยๆฝึกซึ่งผมก็ยังไม่คาดหวังกับตรงนี้มากนะครับแต่แต่อย่างน้อยผมผมได้อะไรเยอะจากการฟังหลวงพ่อมาในหลายๆครั้งนะครับเป็นบอกอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ว่าผมได้อะไรนะครับคือหลายครั้งอาจจะฟังว่าผมไม่เข้าใจแต่แต่พอไปนั่งนึกดีๆนั่งทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อพูดหรือว่ากลับไปฟังย้อนหลังดีๆเนี่ย เออมันมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้แล้วเราเข้าใจแต่เราอธิบายไม่ได้แค่นั้นเองครับทุบกคนป็นอะไรดีครัขบขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะขอสวัสดี อ, อ, อดี์ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณทัศนะคะคุณดิ อ, อ, อเรนสตยาค่ะคุณอัญชลิคนคุณเอกนะคะค่ะ ข, ขอย้อนมาที่โยมสตินิดนึงนะ<ช>ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ ม, มีเรียกว่ามีการสังเกตนะตมีลักษณะของการสังเกตอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ที่คือมันเหมือนกับว่าคนเรานะ่ะถ้าไม่สังเกตอะไรเลยนะจะไม่เกิดปัญญาเลยแต่ถ้าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะฟังอะไรก็แล้วแต่แล้วมีการพิจารณาสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนนู่นกับปัจจุบันนี้มันจะเห็นความแตกต่างเนี่ยไอ้ตรงที่เห็นความแตกต่างได้เนี่ยเพราะเกิดการสังเกตและการสังเกตนี่แหละคือ คือทำให้เกิดปัญญานะแต่ทีนี้สิ่งที่หลวงพ่อพูดก็คือส่วนมากก็ต่อยอดในทางปัญญาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าโอเคการสังเกตมีอยู่แต่ก็ให้พึงเข้าใจปัญญาที่ว่าอันนี้ยมีผู้บอกว่าจริงๆมันก็คือสั ง, สงขารการสังเกตก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏนั่นแหละมันก็เป็นสังขารเหมือนกันนะและก็ไม่ใช่เราน ะ, ะส่วนความรู้ที่เป็นปัญญาอันนี้ก็ก็เป็นสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะหรือว่า ที่บอกว่าอย่างไงก็แล้วแต่ที่พูดมารู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกหรือว่าที่พูดหรืออะไรทุกอย่างที่มันปรากฏปรากฏปรากฏทั้งหลายอยานะมันก็เป็นสภาพธรรมะหมดซึ่งตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่บวกเข้าไปบวกเข้าไปคืออย่าได้พัดหลงอย่าให้คือเหมือนกับว่าเวลาหลงเวลาลืมใช่ไหมมันก็กลับไปยึดถือว่าเป็นเราไงเราเข้าใจเราอะไรเนี้ย เพราะนั้นต้องเน้นตรงนี้ด้วยว่าเออทุกอย่างเป็นแค่สภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาอันนี้เป็นคาชี้บอกเนาะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งท่องถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเอออะไรเกิดขึ้นก็เข้าใจได้อ่ะเข้าใจเป็นปัจจตังไปเลยอย่างเนาะเออเพราะเราไม่ได้สอนใครเราไม่ได้บอกใครเป็นเข้าใจเฉพาะตัวไปเลยว่าเ อ, อ้อสิ่งที่เกิดที่ดำอืมรู้แล้วเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดก็คือมันต้องวางหมดว่าที่แท้ไม่มีเราเลยแล้วเราไม่ได้อะไรเราไม่เสียอะไรคือ ไม่มีเราความหมายก็คืออนัตตาเ <est> นาะอันนี้ก็เพื่อเป็นการต่อยอดทุกครั้งที่มีการสนทนาพูดคุยนะเ <ica> ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยครับค่ะาสาธุ ด, ด้วยนะคะครบไม่รทราบมีใครต้องการขึ้นมาพูดคุยกันไหมคะเพราะว่าอีกประมาณห้านาทีนะคะก็จะถึงเวลาหลวงพ่อไปพิจารณาอาหารนะคะ จริงๆผู้ที่อยู่ในห้องครับเนาะไม่ต้องเกรงใจนะถือว่าเนี่ยเป็นกัญยาณมิตรกันทั้งหมดเลยไม่มีอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์กันเนาะ oh. เพียงแต่ว่าเ อ, อใครที่อาจจะรู้มากกว่าท่านก็อาจจะมาชี้บอกทางเราเนาะแล้วก็เราสมมติว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพเข้าใจว่าคนที่มาฟังเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติเป็นผู้สนใจในธรรมทั้งหมดนั่นแหละอาจจะมาเล่าปัญหาว่าเนี่ยหนูยังมีปัญหาอย่างเนี้ยทำไมอย่างง้นอย่างนี้คือเอาปัญหาเนี่ยมาเล่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็จะมี ในนี้ยจึงมีผู้รู้แหละที่จะเป็นกันรละยังมิตรที่คอยบอกเพื่อปลดล็อกให้ทีนี้ถ้าโยมผู้ถามมีความเข้าใจเนี่ยมันก็สามารถปลดล็อกปลดล็อกได้จริงรวมถึงคนอื่นๆที่เป็นผู้ติดตามฟังเนี่ยถ้าตั้งใจฟังแย่หูฟังนี่เนาะมันก็จะถูกปลดล็อกได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนเราบางทีมันก็หลงผิดคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแล้วเดนเชนนะคะครับจะขออนุญาตนะครับผม ที่พี่สตีพูดมาแล้วก็เมื่อกี้ที่พระอาจารย์นะครับที่หลวงพ่อกำลังบอกนะครับเพราะที่ผมขออนุ ญ, ญาตเพื่อสรุปให้เป็นการง่ายๆสําหรับบางคนนะครับคือผมชอบมากนะครับตั้งแต่หลายครั้งแล้วที่ผมบอกอพระอาจารย์หรือคุณนุยนุยว่าผู้รู้หรือผู้ถูกรู้หรือขันห้าหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมชอบคําของหลวงพ่อแต่เพื่อให้สมมติบัญญัติเนี่ยผมยสรุปให้ง่ายๆ กิแบบนี้ครับเรื่องของไอตัวขันห้าหรืออาการสภาวะที่มันปรากฏนะครับมันเนื่องจากมันมีความเป็นอนัตตาคือมันเกิดขึ้นมาชั่วคราวแล้วมันก็ไม่สามารถความเป็ชาได้แม้แต่ไอความคิดเนี่ยหรือไอผู้รู้หรือไอปัญญาที่เข้าไปรับรู้เนี่ยมันถึงถูกส่งเข้าไปมันเหมือนเป็นคลื่นแล้วกันนะครับส่งเข้าไปแล้วมันก็หายไปตลอดชนะแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือผู้ถูกรู้อะไรเนี่ยมันจึง มีความเป็นั้งตาและไม่สามารถยึดถือได้นะครับแต่มันก็ถูกส่งเข้าไปแล้วกําลังย้อนกลับไปที่พี่สติบอกนะครับว่าทําไมเราถึงต้องอยู่กับปัจจุบันขณะล่ะเพราะเมื่อใดที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเราไปอยู่กับความคิดหรือเอาความแค่แค่ช้าแค่นิดเดียวเองนะครับแค่เอาความคิดมาสำรวจตนแล้วเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยมันหายไปแล้วแม้ว่าเวลาจะเป็นสิ่งสมมุติก็ตามผมก็สมมุติเวลาให้เห็นว่าเออ วิหนึ่งที่เรากําลังจะสัมผัสเหมือนที่พี่สติบอกกำลัขเขียนเงินอยู่ก็คือเขียนเงินนะครับแต่เมื่อใดที่ใจเรานะครับที่ใจเราออกไปอื่นนะครับใจเราไม่อยู่กับการเขียนเงินแหละหรือห่างไปสิบวิธีเขียนเงินเสร็จแล้วผมย้อนกลับมาดูการเขียนเงินนะครับปัจจุบันขณะผมหายไปแล้วการสังเกตหรือปัญญาการรับรู้ณขณะที่ผมเขียนเงินอยู่ผมหายไปแล้วครับผมได้แค่สัญญาได้แค่ความจํา ในแค่การรับรู้ที่ย้อนกลับไปย้อนกลับมารีเพยเวลาแค่นั้นเองนะครับอปัจจุบันขณะหรือการที่รู้ถึงถึงผู้ถูกรู้เนี่ยที่พระอาจารย์หรือนิวหลวงพ่อบอกเนี่ยหรือทําให้รู้ให้มันเป็นปัจจุบันมากที่สุดนะครับมันจึงมีความสําคัญมากที่สุดที่จะทําให้เกิดปัญญาที่มีความเขาเรียกอะไรความสดหรืออะไรนะครับผมผมไม่อาจใจสับสมมติหรือความจริงแท้ที่เป็นปัจจุบันที่เราสัมผัสนี่มากที่สุดนะครับมันจึงเป็นส่วนสําคัญประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับผม ค่ะสาธุค่ะทําให้อนึกถึงเอเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยเนี่ยต้องลองลอ ง, ลองเปรียบเทียบเพาะวา่ถ้าเราอยู่ว่างๆเราเอานิ้วโหวัแม่โป้งเท้าขึ้นมาอ ม, มก็คงจะไม่ใช่เรื่องนะคะเด็กน้อยที่ไร้ดิงสาเนะะี่ยค่ะเขาก็เอาเด็กเอาเอานิ้วโป้งเท้าเนี่ยขึ้นมาอมนะคะมันเป็นความไร้ดิงสาซึ่งเด็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เอา่า กังวลหรือว่าตระหนักในเรื่องความความรับิดส่วของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจถึงตรงนี้หรือว่าแม้กระทั่งรู้อะไรเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่ความประหนักรู้ที่รู้จริงอะไรอย่างเงี้ยละคะ่ะเพราะฉะนั้นการที่รู้นี้ยไม่ต้องเป็นไปนทางรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นทางคิดอะไรด้วยเพราะนั้นการจะคิดหรือการที่มันรู้อะไรพวณนี้มันไม่ได้มีความสําคัญอะไรเหมือนนี้บางคนถามค่ะว่าเออวันนี้เราเรียนรู้เราคุยกัน เรารู้อะไรวันนี้นะคะตนนี้ก็บอกว่าไม่ได้รู้อะไรแล้วก็ไม่ได้เรียนอะไรด้วยนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นการจบเ อ, อทําตอบแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่เดี๋ยวก่อนหลวงพ่อจะออกเนาะมี <c oughs> คําถามมีโยมส่งมาแต่ก็เพิ่งเห็นปกติไม่ค่อยได้อ่านนะเรื่องที่เป็นคําถามเป็อะไรหลวงพ่อบางทีไม่ค่อยได้คือไม่ได้ขนาดที่ฟังเนี่ยหลวงพ่อจะจะไม่ไม่ไปดูไม่อ่านอะไรหนอะก แล้วก็บางทีก็มาเห็นในตอนหลังๆนะวันนี้บังเอิญสังเกตตาไปสะดุดเข้าแล้วก็เปิดดูนะมีโยมถามว่า<ม>กรา บ, บาารค่ะพระอาจารย์ครับทำไมพระอนุรุทธะสอนโดยชูอกุศลละมูลจิตสิบสองให้เรียนในอริธรรมเบื้องต้นหลวงพไม่รู้เลยห <laughs> ลไม่ได้เรียนอริธรรมแล้วหลวงพ่อไม่รู้แต่สิ่งที่ให้รู้ได้คือรู้ว่าหลวงพ่อไม่รู้แค่เนี้ยแล้วก็จบแล้วไม่ตันเล รู้ว่ารู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยตัวหลวงพ่อเนี่ยซึ่งเป็นสังขารเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องนั้นแต่รู้ว่าตัวเนี่ยเป็นสังขารและมีความไม่รู้อะไรมารู้ตัวหลวงพ่อนั่ น, น, นแหละคือเขาเร<ม>ียกว่าเป็นความที่รู้ที่แท้จริงคือมีอยู่แล้วตามธรรมชาติคือรู้เราถ้าเข้าถึงตรงเนี้จริงๆอ่ะเรียนไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเรียนแค่รู้เราแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถืออันี้แปลเป็นคําพูดนะ ไม่ยึดถือตัวเราที่เป็นผู้ไม่รู้เพราะตัวเราจริงไม่มันไม่มีอยู่จริงเป็นแค่สังขารเท่านั้นแล้วก็มันไม่รู้เรื่องมันโง่ะส่วนไอ้ที่รู้เราเนี่ยไอ้ที่รู้สังขารเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งมันพูดไม่ได้แต่ที่พูดได้เนี่ยตอนเนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสังขารแต่อรู้ไอรู้ที่มันพูดไม่ได้เนี่ยไอเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อรู้เป็นรู้ที่ไม่ปรุงแต่งนั่นแหละคือมันเขาเรียกว่าเป็นวิสังขารคือมันไม่ปรุงแต่งคือมันจบตรงนั้นะ น, นี้หลวงพ่อ ก, ก็ชี้ทั้งชี้ให้เห็นตัวเองแล้วก็รวมถึงให้ให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับต้อ <poco> <ค><ณ>งใช้ภาษาสมมติอ่ะให้ทุกท่านเนี่ยกลับมารู้ตัวเองด้วยเ <durability> มื่อรู้แล้วก็รู้ว่าไอ้ตัวเองเนี่ยยึดถือไม่ได้วาง <sz ans metallic> มันเดี๋ยวนี้เลยเพราะมันยึดถือไม่ได้ไงวางคําว่า <S <S วางตรงนี้ก็คือวางด้วยสติปัญญาคือเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องยึด วางแล้วจบแล้วในปัจจุบันทนัน